อลไรกันนะแมันก็ชินใช่แล้วการฟังก็ต้องมีเสียงแต่ก่อนอยู่ที่นี่ไม่เคยมีเครื่องขยายเสียงก็โซลาก็หลังเดิมนี่แหละ แต่ว่ามันก็ชินกับความพูดเสียงธรรมดาฟังก็ฟังเสียงธรรมดาเดี๋ยวนี้เมื่อหูมันชินต่อเสียงดังแล้วมันก็ก็ด้านไปนิดหน่อยตาคือังการเมืม่ออยู่กับแสงนีออนเ ข, าขา่าๆนานๆตาก็ไม่ค่อยจะดีไม่แข็งแรงเช่นเราไปอยูใ่ในถ้ำ ยันแรกก็เดินอยู่ข้างนอกพอเข้าไปถ้ำมันก็มืดมองไม่เห็นแต่วิธีเข้าถ้านั้นให้หลับตาเข้าถ้าไม่มีไฟฉายให้หลับตาเข้าไปลืนตาอยู่ข้างในถา้ามันจะมันจะเห็นกว่าที่เราลืนตาจากข้างนอกแสงสว่างเข้าไปในถา้ามันจะมืดทันทีเลยมัน ปับตัวไม่ทันการใช้ชีวิตของเราก็หลายอย่างที่มีส่วนประกอบความสุขความทุกข์ที่มันเกิดจากตายจากใจ้ามีคือหัดตอนนั่นบ้างแล้วก็จะเห็นช่องเห็นทางเหมือนกัน เห็นจิงประเสริฐเห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกเห็นความดับทุกได้ถ้าเราสังเกตในชีวิตของเรามันมีสิ่งบงบอกผิดถูกอยู่โดยเพราะสติสมชัญญะเหมือนเลนของชีวิตที่เราประัดให้เป็นทำให้เป็นอยู่เนี่ยมันรอบด้าน เราก็มีการช่วยให้สติงอกงามได้หลายอย่างเช่นความทุกข์เกิดจากเกิดกับใจก็ไม่เป็นไรไว้ก่อนอย่าไปเอะใจอย่าไปคิดอะไรที่มันกระทุกสองโตทุกมันก็มีแล้วแต่ใจก็ยังให้ไม่รู้จักปรับ แล้วก็สิ่งเวดล้อมไม่ค่อยมีมันก็โดดเดี่ยวจนกอกได้เราจึงมองหลายด้านมีมีเนวร่วมมีพลังร่วมให้ของหน่กไก่เป็นของเบาไม่เป็นไรเชี่ยงห้อมันเชี่ยกบเสียงก็เชี่องห้อมันได้เชี่ยกับ อารมณ์ก็ช่างหัวมันได้เกี่ยวกับกลิ่นก็ช่างหัวมันเกี่ยวกับรสก็ช่างหัวมันเดี๋ยวไปจริงจังกับสิ่งต่างๆมันจะเป็นศิรพจน์ความทุกข์เป็นความทุกข์เป็นศิรพจน์ได้ความโกรธเป็นความโกรธเป็นศิรพจน์ได้ความผิดเป็นความผิดเป็นศิรพจน์ได้เพราะโศลาบันเบื้องต้นทํำลายศิรพจน์ตัวนี้ลงได้ ให้มันเชื่อมแข็งเยาวันไหวฝึกตนสนตนมีโอกาสที่เราจะต้องฝึกอยู่ทุกเวลาเพราะลูกก็ดีนามก็ดีมันเป็นต้นทุกขอันหนึ่งก็ว่าได้ถ้าเราอยู่ดีๆมีสติจนเห็น จนจนเห็นความเป็นจริงของลูกของนามวามันเป็นของทุกข์กันหนึ่งจนทุกพระพุทธเจ้าได้เห็นว่าปดโทตื่นตื่นทุกข์เจก่อนไม่ค่อยตื่นนั้นด้านพอใส่ใจดูสักหน่อยก็ตื่นพุทธโทเปดโท ตุนทุกเมื่อตูนทุกแล้วก็ไม่ด้านในความทุกนิดหน่อยก็ก็ใส่ใจสักหน่อยแต่บางท <PTSD> ีทุกมันมีสิ่งที่บดบังไว้เป็ทุกข์ของกายอ่ะที่บทอิริบบดบังเอาไว้ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยื่อเทื่ยวนไว้อันนี้ดูแต่ว่าที่บทบังไม่เห็นตามความจริง ถ้าไม่ไม่มีอิบอดบังให้มันมาซื่อๆลองดูเราก็จะต้องรูจ้จบแก้ไขเดี๋ยวนี้เรานั่งนานก็ยืนขึ้นเรานั่งท่านี่เราพิกท่านั้นเรานอนนานก็ลุกเราเหิวก็จินข้าวเรานอนก็อาบน้ํานั่งก็ริบอดที่มันบังไว้บางทีไม่เห็นแจ้งถ้าเราเห็นแจ้งสักหน่อยไม่ต้องอาศัยอะไรอาศัยในตัวมันเอง มันก็มีความเพี้ยนแข็งอยู่ในนั้นกอดยี่กับทุกทุกของกอดเจติตุกทุกของกิจมันก็มีอยู่ในตัวมันโดยเพราะมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีคนเอาค่าเป็นสวาวคสารพัดถ้าเห็นทุกก็เห็นตัวนี้เห็นได้เกิดทุ ก, ก็เห็นตัวนี้ วิธีที่ดับทุกข์ก็ดับตรงนี้อันเดียวกันเลยเรียกว่าเห็นของเกิงอันประเสริฐคือเห็นอริสัจสี่แล้วก็ดําเนินไปตามหลักของอริสัจสเห็นแล้วก็ไม่ใช่ยอมดำเนินเห็นเหตุมันด้วยเหมือ น, นกับแม่เลี้ยงเราอ่อนโลกน้อยของตนเวลาลูลลกร้องไห้มันหินวมันก็ ร้องไห้อากเจ็บปวดก็ร้องไห้พวดหนักปวดโบาก็ร้องไห้ถ้า แ, แม่ที่สังเกตตามันร้องแบบนี้แสดงว่ามีอะไรกัดมันหรือมีการเจ็บปวดตรงไหนหาอย่าเจียจเจ่ยวข้องหาสิ่งเกี่ยวข้องให้ถูกต้องบางทีมันร้องแบบนี้สังเกตเ ด, ด็ก็เห็นก็รัวนี่มัน อาจจะมีของกัดมีสิ่งกัดมันต้องเปิ ด, ดนูน่นเปิดนี่ดูก็ไปเห็นหมดกัดมัต่อยมดกัดต่อยกัดหายเหตุเหตุที่ลูกน้อยร้องนี่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนช่วยกันหาลื่ที่นอนหมอนง่วงเห็นหมดมาต่อยกัดลูกน้อยอยู่รีบเออกเห็นเหตุได้เกิดทุกข์เราดับออกมันได้แล้ว เรายามาใส่วันเทาให้กรมิ้นว่างย่หมองว่างมันก็หยุดลองให้ลักสณะนั้นมันก็มีความชมินีชนานเพิ่มขึ้นการดูแลเป็นปริญญาโรบโรูกเข้าไปอีกเช่นเรามีทุกเมื่อเมื่อไม่ยมให้มันทุกนวดด้วนให้รู้จัก มันก็จะรู้จักหาต่อไปมันก็จะไม่จนต่อความทุกข์มันก็อยู่ในตัวมันอาศัยความชมิตานาอาศัยความผูกขนตนเองยับยั้งจังกิดไม่ผนผนดูดีๆหรือเสมือนกับเราเพื่ป่วยไปหาหมอการดูโลกเนี่ยสำคัญ แต่ว่าการใช้ยาเนี่ยไม่ต่างกันเมื่อดูโรครู้จั ก, จกโรคแล้วใช้ยาถูกต้องถ้าสมมติฐานของโรคไม่เห็นแจ้งวิชัยไม่ดีก็รักษาไม่ถูกโรคโลกก็ไม่หายการดูโรคสำคัญของการเป็นหง่แต่การใช้ยานั้นเป็นสือกคนอยู่แล้ว เป็นลักษาวขนที่เรียนมากันแล้วเหสัดสอดหรืออะไรต่างๆเช่นกายก็มีกายวิภาคศาสตร์ผ่าน่าตัดกันมาแล้วเอาศพโอชีวิตของคนของสัตว์พาลองดูแล้วอันเดียวกันลูกอย่างเดียวกันแต่การวิฉัยเนี่ยอาจจะเจ็งต่างกันได้เราก็เป็น ผู้วินิจฉัยอันหนึ่งที่โดยเฉพาะการปฏิบัติเนี่ยมันหลอกไปได้ในเรื่องของกายของใจเนี่ยมันหลอกไม่ได้มันเกิดขึ้นแบบไหนหลอกไปได้ถ้าเราศึกษาปฏิบัติฝึกหัดตัวเองนั้นก็มีหลักโอจูกอโยนุปสนาสติปัฏฐาน ที่มันเกิดขึ้นเราก็เห็นกันอยู่ทุกคนมีกายเราอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเรามาดูดูที่นี่ดูที่นี่ให้เห็นที่นี่เห็นอะไรเกิดขึ้นที่นี่รู้อะไรที่เกิดขึ้นที่นี่วิธีเกี่ยวกับการชิงใดที่เกิดขึ้นที่นี่รู้หมดรู้ครบรู้ทั่วเป็นธรรมชาติอย่างไรเป็นอาการอย่างไร ที่มันเกิดขึ้นกับกายไม่ใช่เอามาเป็นตัวเป็นตนโดยทีเดียวมันสุขก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์กายเป็นเีตุถ้เกิดทุกข์กายเป็นเหตุถ้เกิดสุขมันก็มีเป็นโลกของกายถ้ากายเป็นทุกข์กายเป็นสุขเรียว่าโลกของกายใจก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นสุขเป็นลูกของกิจใจ ถ้าศึกษาแล้วมันหายได้อันสุกอันทุกข์ที่มีเกิดกายกับใจเดี๋ยมันหายได้ได้ว่าบุถุชนคือคนป่วยเอะเลหันคือคนหายป่วยแล้วว่าสุขว่าทุกข์ที่เกิดกับกายเกับใจจะไม่มีเลยมีอะไรมีแต่ธรรมชาติมีแต่อาการ เบดีบหน่อยไม่หนักไม่แสดงการหัวโลไม่แสดงการลองให้เพราะความสุขความทุกข์น่อยแล้วก็หลอกหลอกเราไม่ได้อันกายอันใจเนี่ยโอยพูดอยู่เส ม, มอว่าคนหลอกไม่กลัวผีหลกไม่กลัวกลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองอยู่ที่ไหนก็หลอกได้อันตัวเราเนี่ย อันคนหลอกมันมีบางครั้งบางคราวถ้ามีผีหลอกมันก็มีเป็นบางครั้งบางคราวถ้ามันมีนะ <c oughs> บางทีสานที่บางทีก็กลัวถ้าความกลัวม า, มากๆก็หลงทิศหลงทางทำให้เจ็บแค่ตีผวยด้อะไรนํำเกิดขึ้นก็คือ <c oughs> เรานี่แหละโลกตัวเราสมคัญเห็นผิดไปมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไป เอาใช้งเงินมาเป็นสุขเอาใช้งเงินมาเป็นทุกข์เอาใช้งเงินมากลัวเอาใช้งเงินพาให้กล้าในที่จริงแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นชีวิตของเราต้องมีอำนาจมีสิทธิที่จะไม่ทุกข์ไม่สุขได้ไม่ต้องมีทาสไม่ต้องเป็นทาสกับอะไรได้แม้ว่ามันจะมีเจ็บมีแจร <c oughs> <c oughs> มีเจ็บมีเจ็บมีตายก็ไม่ใช่เป็นปัญหากับชีวิตเราอาจจะเป็นปัญญาอลอยก็ได้มันมีอยู่อย่างนี้ไม่เป็นหมันจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราปกัดมีสติดูเราก็ต้องเห็นแจ้งั้นเราเป็นตาเืินดู อะไรก็ต้องเห็นเหมือนกันหมดที่เกิดจะกขุสัมผัสได้ไว้แต่ไม่มีตาตาบอดอย่างนี้วิญญาณของตาไม่มีหูหนวกเค่หลงตาเนี่วิญญาณของหูไม่มีแล้วก็ฟังเสียงอะไรไม่รู้ วันไปดูคนตาบอด่านตาญาติตาบอดก็พูดเรื่องเขาตาบอดลำคาญเคยดูอะไรเห็นมันมาบอดมันก็ลำคาญใจแล้วก็บอกว่าอย่าเอาตา ม, มาเป็นเรื่องของใจอย่าให้ใจไปเกี่ยวข้องกับอะไรบางปดบังได้ใจเนี่ย ต้องบริสุทธิ์ต้องปกติอยู่ตาบอดก็ดีพระรัฐบาลในตาบอดเป็นพระหรันอย่าเอามาลงโทษตาบอดมันก็สบายแล้วไม่ต้องดูอะไรเราอยู่มีลูกมีเมียอยู่เขาก็ดูแลเราอยู่ มันอยาให้มันบอดทางใจเอาตามาเป็นทุกข์ใจเอาความเอาเสียงมาเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเอารถมาเป็นสุขเป็นทุกข์ใจมันไม่ถูกท้องถ้าเราไม่หัดมันเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราผูกขาดเมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยมันก็จิตใจก็เป็นจิตใจ ถ้าสุขเนท่าเป็นทุกข์เป็นทุก ข, ข์ต่อผหูพู้จมูกพูลิ้นพูกายเสมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่มีเมฆบงังเราก็มองว่าดวงจันทร์มืดแสงอาทิตย์มืดเพราะเมฆบังได้ว่าความมืดที่เกิดจากเมฆนั้นมันไม่ใช่ ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์มันก็มีความสุขที่เกิดจากขายจากใจเหมือนอความสุขที่เกิดจากตาหูจบบกลิ้นกายที่มันเกิดมาถึงใจมีความสุขเพาตาพู้หูผูจมูกพูลิ้นพ่้กายเงินเมฆเงาเด็กก้อนเมฆใจมีความสุขเพราะ พอหูพอจมูกโกลินพอกายพอพอกายอันนี้ว่าอาศัยก้อนเมฆสุขพออาศัยก้อนเมฆทุกข์พออาศัยก้อนเมฆมันไม่กีรังยั่งยืนให้มันเป็นของมันเองไม่มีอะไรบดบังไม่ต้องอาศัยนิมิตใบนอกว่าอยู่ในตัวมัน โ <c oughs> ดยจึงมีสติเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยก็ว่าเห็นไม่เป็นเนี่ยนันเป็นอิสระของจิตแต่เห็นเป็นเรื่องของตาจะ เ, เป็นสุเป็นทุกข์ที่เกิดจากตาจากหูจูกดิน น, นั่นอัน่ะร่มเงาของคนเมกก็ไม่หลงได้หลงสุขหลงทุกข์ได้เพราตาพรหู แล้วมันก็มีอยู่กับทุกชีวิตอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกรู้สึกเนี่ยมันเป็นจิตล้วนๆจิตใจของเราเนี่ยมันเคยรู้สึกระลึกได้อยู่เกียวข้องกับตากับหูกับจมูกลิ้นกายเป็นใหญ่เอาไปเอามาก็เป็นใหญ่จิตนี่เป็นใหญ่สำเร็จก็จิต ถ้าไม่ฝึกหัดก็เป็นใหญ่แบบป่าเถื่อนจนความทุกข์ก็เป็นใหญ่บังคับทุกอย่างได้ความสุขก็เป็นใหญ่อะไรมันเถื่อนเป็นอวิชชาตัวใหญ่ของจิตนี่คือไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรอันความเป็นใหญ่ของจิตก็ไม่เป็นอะไรอะไรเนี่ย เราว่าเป็นเป็นความหนเหมือนไหมตัวไม่เป็นอะไรเหมือนแข็งเหมือนเพชรตัวไม่เป็นอะไรเนี่ยมันทะลุทะลวงมืดทึบทุกอย่างได้จึงเป็นสกุลแต่ความไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยของกีดเนี่ยน่าจะฐาน ถ้ามันเป็นถุกเป็นทุกข์ด้วยไม่มีมาตรฐานถา่ยานยังไม่ได้มีภาระอยู่ภาะที่เคยกับใจอยู่ถ้ามีภาระอยู่ก็เรียกว่าปุตุชนถ้าหมดภาะระลงแล้วก็เรียกว่าฮะอายะบุคคล วางลงแล้วหมดพละแล้ววางลงแล้วจิตของเราถึงแด้วซึ่งสภาพที่ไหลพุ่งแต่งไม่ได้อีกต่อไปแต่งให้สุขให้ทุกข์ไม่ได้แต่งให้เป็นอื่นไม่ได้มันถึงแล้วซึ่งสภาพที่ไหลพุ่งแต่งไม่ได้อีกต่อไปงานชิ้นแล้วสิ้นพบสิ้นชาติที่เป็นสุขเป็นทุกข์นก็เป็นไม่เป็นอะไร เมืไม่เป็นอะไรกับอะไรมันก็อยู่หนือการเกิดเจ็บเจบตายอาศัยการเกิดเจ็บเจบตายเพื่อขึ้นฝังที่ไม่เป็นอะไรถ้าไม่มีการเกิดการเจ็บการผกิดกำตายมันก็ไม่รู้จักฝังมันเป็นอะไรอยู่ก็มีความ สุวามทุกขมเละาะกุมชังนั่นแหละเหตุที่มันเกิดเจ็บเจ็บตายมันเกิดดับเกิดดับอยู่อยู่ในห่วงน้ำถ้ามัสุกมันทุกอยู่หรือว่าอยู่ในห่วงน้ำเปินวัฏตะเราจึงอาศัย เหตุปัจจัยนี้เอามาสึสกปฏิบัติแล้วยังมีหลงอยู่ก็แสดงว่าเราต้องฝึกให้รู้เร้วยังมีทุกข์มีสุขอยู่ก็ต้องฝึกให้รู้เปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับกกับใจที่เป็นสุขเป็นทุกข์เปลี่ยนมาเป็นตัวรู้สภาวะที่รู้สึกตัวในเรื่อว่าเทียบท่าเห็น เห็นได้เห็นแล้วก็เทียบท่าถ้าเป็นเรายังลอยคอเป็นสุขก็ยังลอยคออยู่เป็นทุกข์ล้วก็ยังลอยคออยู่วันเราอยู่ในห้อน้ําขึ้นไม่ได้แต่เคียงตะกาอยู่เช่น น, นั้นก็เป็นได้เห็นแล้วก็เทียบท่าได้ ไม่เป็นแล้วก็ขึ้นฝังได้สบายันทุกข์เขมันทุกข์เห็นเทเรคือทุกข์เห็นความหลับทุกข์รูกขึ้นฝั่งได้ไม่มีปัญหาเลยเห้นพระรีเจ้าจงมาถึงที่ไม่มีน้ำพระอรหันต์ตะโคนบอกเราอยู่จงหมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ํา บางทีพระพุทธยจ้าก็เรียกว่าสุกทุกข์นี่เป็นห้วงน้ําโอขาแล้วมีสุขมีทุกข์อยู่ด้วยว่ามีเกิดมีเจ็มีเจ็บมีมตาย <c oughs> ขออย่าได้พูดอะไรเถอะพวกเราให้ได้พูดแต่เรื่องนื้อการให้ฟังแต่เรื่องนื้อการจะได้ใส่ใ จ, ใจ ว, ว่านี้ก็ไปแสดงธรรที่วัดโมกมีคณะบอดี มาวิลย์คะอาจารย์ต่างๆมาทอดผ้าป่าสร้างที่พระไคเอบาสิกาพัดโมกขอสนับสนุนเป็นสานวัตถุก็จำเป็นเช่นเรามีหัวใจนั่งอย่างนี้ก็จำเป็น มีผ้านุง่งห่มก็จําเป็นมีอาหารการกินก็จําเป็นเฉนาสนาส์สปายะมีที่อยู่อาศัยบ้างอาหารและสปายะมีอาหารจินบ้างบุคคลและสปายะมีเพื่อนมีมิตรบทเรียแนะนําสั่งสอนขีดแนะนําอะไรบ้าง มีธรรมะอันเป็นความถูกต้องบ้างที่ให้ชัดหลงใหยบ้างดายเคลื่อนช้าก็จำเป็นโดยเพราะเวลานี้อยากสนับสนุนผู้หญิงให้มากให้สะดวกกว่าผู้ชาย มั่ยสมัยก่อนก็มีพร่อานุ์นะขุนขุยเรื่องผู้หญิงเดี๋ยนี่ให้ขอให้พวกเราที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยขุนขุยเรื่องผู้หญิงว่างเอาใจใส่เขาบ้างพวกเราก็เช่นแข็งอยู่แล้วถ้าจะเป็นผู้ชายอวสุกเนี่ยแล้วก็ โดยพวกมหายาอนเนี่ยผู้หญิงนี่แข็งแลงกย่ขอภิกษุณีนี่แข็่งแลี้วงของพระสงฆ์มหายาอนนะเข้มแข็งการเผยแร่ศาสนาในภิกษุณีนําหน้าพระสงฆ์ต้อ ง, ตงอาศัยภิกษุณีเป็นเจ้าสํานักเฉยๆแต่ภิกษุณีเป็นผู้ที่ทํางานออกเผยแพร่ ประเทศไทยเราเนี่ยยังยังไม่ยอมรับพิกษุณีแต่ไม่มีพิกษุณีในเมืองไทยแต่ว่าให้เป็นอ่าเป็นสถานที่อยู่นานาชาตินักบวชทั่วโลกมาอยู่ได้ ก็เป็นไปได้ไหมสุโกโต่ว่าเราก็มีความสามารถน้อยแต่อยากให้เป็นไปเลยก็เลยสนับสนุนคณะบดีเข้ามาสร้างที่อยู่ให้อาบาจกาว่าขอสรัางถนนอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก่อนเข้านามแจงได้จากผู้หญิงเยอะแยะ สร้างบา้านสร้างบาเนี่ยกติทุกหลังเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงมาเป็นเจ้าภาพต่สงก็เยมีที่อยู่สู้ผู้หญิงไม่ได้ <c oughs> ตกติผู้หญิงแน่แล้วก็ทำดีกติผู้ชายอาจารย์ตุม้มทำให้บันไดเลียงก็อ <c> ย <oughs> ากบันไดเลียงไหม โหนขึ้นไปอาจารย์ต้มทำกติผู้ชายพระสงฆ์เนี่ยว่ามันได้ลิงแถวป่าไปอยโหนขึ้นไปน้องน้ำมองสวมก็ทำมาชาอิมากมากแล้วก็ก็ยังพออยู่ได้นะถ้าที่อื่นไม่สนับสนุน ขอให้มาที่นี่ถ้าเป็นวาชิกาก็ได้เป็นนานาชาติก็ได้นี่ก็เลยว่าเสน า, สนาสนะสัพเยะก็จำเป็นอาหารสัพเพยะบุคคลสัพเยะมีผู้บอกมีผู้ฟังมีผู้พูดว่างจะพูดเรื่องอื่น นั่นก็ไม่ชัดเจนไม่ตรงในพระสูตรเนปฏิบัติตรง n g ไม่บรรตรงคนอื่นบอกเราบ้างเราก็ตรงบ้างตามหลงก็ตรงไปหาความรู้อย่ามาเสียเวลาเพราความหลงต่อมาทุกก็ตรงไปหาความรู้อย่าให้เสียเวลาเพราะความทุกต่อมาโกรธก็ตรงหาความรู้อย่าให้เสียเวลาเพราะความโกรธไปตกกงวลเ้าหมอง ความรัความชังตรงมหาความรู้อย่าไปเสียเวลาเกิดความรักค ว, กค ว, กควชังความวิตกกังวลเศร้าหมองปฏิบททัติให้ตรงผู้ใดปฏิบัติตรงอย่างนี้เรียกว่าเป็นสงไตรพุทธศาสตร์ชนาะนั่นแหละคือสงนั่นแหละคือพระสงฆ์ที่เกิดจากพระสัทธรรม กอบด้วยคนมีการปฏิบัติดีเป็นต้นสัตทมายโชสุปฏิปฏิคุณาหิยุตูพระสงฆ์เกิดจากพระศัทธรรมไม่มีที่ใดสวดว่าพระสงฆ์เกิดจากบวชจากกุปชาในโบสถ์ไม่มีนี่แต่พระสงฆ์เกิดจากพระสัทธรรมมีการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตอกทุก ิบติเป็นสถาบันมาทางไหนก็ตรงอยู่ตลอดเวลาทุ ก, ก็ไม่ทุกสถาบันถ้าหลงก็ไม่หลงเป็นสถาบันนี่ว่าสถาบันอยู่ในชีวิตของเรานีจบตรงนี้ปริยาก็ตรงนี้ยาตะปริญา รู้แล้วผมหลงหลกไม่ได้ผมทุกข์หลกไม่ได้ผมโกรธหลงไม่ได้ดาตะปัญญาติเลขณะตัลิญญาแจกแกงได้ไม่เป็นรุ้นเป็นก้อนนี่เป็นธรรมชาตินี่เป็นอาการผมร่อนเป็นธรรมชาติเป็นอาการ ความหนาวเป็นธรรมชาติเป็นอาการความหิวเป็นธรรมชาติเป็นอาการจุกทุกข์ที่เกิดกิดใจเป็นธรรมชาติเป็นอาการไม่ใช่ใจอะไรที่มันเกิดขึ้นมาปลอมๆไม่ใช่ของจริงอย่างจิตของเราเนี่ยแบบพัดสอนผ่องใส แต่สิ่งที่จรมาทําไม่เปิดเพื่อนอารมณ์ไม่จิตใจเปิดเพื่อนทําให้เศร้าหมองไม่ใช่ธรรมชาติของกิจเป็นอาการที่มันจรมาเป็นคั้งเป็นคราวถ้าเราไปเป็นสุขเพราะเพราะสิ่งที่จรมาเป็นทุกข์เพราะสิงที่จรมา เดี๋ยวเราต้อนรับมันเมื่อต้อนรับมันก็มาบ่อยต่อศักสะพานออกบอกขึ้นนี่คือปริญญาบอกึ้นลูแจ้งยาตะปริญญาติขณะปรญญาแจกแกงเอานล้วก็พานะปรญญาทำให้หมดไปได้ ความหลงหมดไปพรับเดียวความทุกข์ปวดไปพรับเดียวความโกรธหมดไปพรับเดียวเ ร, รืเ่องปัญหาหนปัญญาทําให้หมดปอยพ้นปอยผ่านไปได้ผ่านความหลงผ่านความโกรธผ่านความทุกข์เพราะทำไมจึงผ่านเพราะตรงนี้เป็นอกุศนลนากเงของอกุศลมันก็ไปไกล ถ้าไม่ผ่านมันจะมัองกรอยู่ในไปไกลอย่างลาลึกเป็นเป็เ ป, เป็นสุรุกอายเป็นพบเป็นชาตินี่เราจะมาเห็นตรงๆอย่างนี้มันหลงรู้อย่างเนี้ยถ้ามีความรู้เป็นฐานว่าหลงก็จะเป็นคิดทิที่จอดมาได้ไม่มีเจ้าของเป็นสาธารณะเกินไปอะไรไม่มีเจ้าของเช่น รถละบ้านช่องเลือกสวนไล่ น, ลนาไม่มีเจ้าของมัน ก, ก็เหลืออยู่ไปได้มัน ก, ก็หมดไปได้ถูกทําลายไปได้ชีวิตของเราไม่มีเจ้าของเจ้าของก็คือเถื่นเถือนเช่นความหลงเป็นเจ้าของกายใจอะไรก็หลงโอนหน้าออกตามัน ก, ก็เถื่อนได้ เป็นชุกเป็นทุกข์ได้เคยเจ็บเจ็บตายได้ถ้ามีสติเป็นเจ้าของมันก็ปลอดภัยดูแลคุ้มครองได้มันทุกข์มีฉิท์ไม่ทุกข์มันหลงมีสิท์ไม่หลงมันโกรธมีสิท์ไม่โกรธลากเง่าตัว น, นี้ก่อ หมดปอยกลายเป็นกุศลขึ้นมาไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเม <ś led> ื่อมีไม่หลงไม่โกรธไม่ทุกข์มันก็เป็นลกเงานกุศลกุศลดุลที่ยังมาเกิดก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะเลินเบาขึ้นจนถึงมรรคผลนิพพานเลยทีเดียวพก็ไม่หลงนะ่ะเื้อมโทนจากกมรู้จักตัวหน่ยหัดให้มีหัดให้เป็น ไม่เก่งในตอนที่มันหลงประสบการณ์ในตอนที่มันหลงบทเรียนในตอนที่มันหลงไม่มีใครเก่งให้เราเราต้องเก่งเราเองใครช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองให้เป็นมีไหมถ้ามีหลงอยู่ก็ต้องช่วยยุกผ่านให้มันได้ความหลงถ้ามีทุกข์มีศกอยู่ก็ต้องผ่านไปก่อนอย่าไปมี จำนวนจำยมมันอสาัาธ์มีเหมือนกันพอใจก็มไม่แม่ความทุกข์ก็ยังพอใจความโกรธก็พอใจพอใจในความโกรธจนทําตามความโกรธพอใจในความทุกข์จนทําตามความทุกข์ห้าตัวตายพอใจในความทุกข์ทำลายตัวเองทําบายคนอื่นได้ มันมีอาศะทาเหมนกันถ้าหลงมากๆอวิชชาปิดบังไ้อยู้มืดทึบมันก็จำอะไรไม่ได้มืดไปหมดเลยเห็นผิดเป็นถูก เ, เห็นหงูเป็นปลาเห็นกงจักเป็นดอกบัว <c oughs> มันก็ถ่อเป็นภาพสัต์นรกเอากองจักที่มันหมวนติ้วมากผุหนหัวตัวเอง ยังจับมาผุนหัวตัวเองอยู่ปั่นจะจนวลวดก็เล่นไปยังเอามาจับมาใส่อยู่ประดับใบผุนหัวตัวเองโอ้ใจในความโกรธนอนอยู่กัความโกรธข้ามวันข้ามคืนมีไหม <c oughs> โอ้ใจในความทุกข์นอนอยู่กับความทุกข์ข้ามวันข้ามคืนทําไมจึงทงําไมจึงว่าอย่างนี้เอามาอยู่เลยเอามาทําไมทําไมทําไมทําไม ทำมาจึงทําอย่างนั้นทํำมาจึงทําอย่างนี้นนมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้เจ็บปวดเท่าไรก็เอาทําไมทําไมลงออกลงไปจนล้มห้อจนหมดสภาพเอยใครลจะทําลายตัวเองคนเรนี่ยแหละใครก็ช่วยเราไม่ได้ต้องหัดช่วยตัวเองฝึกหัดตัวเองอันนี้เราก็มาศึกษาอันนี้กัน มีมีนิดหน่อยไม่เหมือนการสวนแบบเอื่นกนารสอนแบบอื่นเข้าชานแข่งขันกันนั่งนิ่งในลาบากัลละปอกเลขปอกหอยอมีอะไรต่างๆาหาลาบสกัละเสียงเริญเยินยอมีพวกพ้องมอลิวร เป็นเจ้าลน ท, ที่ไม่ต้องการเป็นเจ้าลนที่ไม่ต้องการเป็นอาจารย์ของใครไม่ต้องการปกครองใครไม่ต้องการให้คนนั่งอยู่ไม่ต้องการให้คนมากราบมาไหว้แตามมาที่นี้นะไม่ต้องไปกราบไปไหว้ใครเลยมาอยู่เพื่อปฏิบัติเข้าไปเลยให้มันตรงใหมา่างไปบอกสำนักงานเรามีอยู่แล้วที่ลงทะเบียนที่รับ ของคืนของของใครของเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องขอให้ได้เลยให้ที่นอนให้ที่นอนให้เจนายเสนะให้อาหารตีละครั้งไปกินไปฉันได้จางงดงามไม่ต้องเปลงใจใครไม่ใช่ใครหาหมาพวกเราอยู่ตั้งอยู่นี้ไม่ได้ทำมาค่าขายไม่ได้ทำไรทำสวน มีคนเามาให้เราเพราะทำไมจะก็ให้เราเพราะเราทำความดีความดีเกิดขึ้นลหลายคนเห็นแม่ชีเห็นพระสง์เห็นยอดโจง ม, มาทำความดีเนี่ยเห็นของเรามาตรงๆอย่างนี้ไม่ต้องไปกราบไปไหว้ถ่ายถ้าไหว้ก็เคารพไม่ทำอยากให้ตัวเป็นทุกข์ ตกว่ายตัวเองได้หละดีที่สุดอันว่ายคนอื่นแล้วตัวเองยังเหลวไหลยอยู่ไม่ประสบเลยแต่ว่ายตัวเองได้ไปทำความดีนั่นแหละช่วยกันแล้วช่วยชาติช่วยศาสนาแล้วได้ยินไหม <c oughs> อก็ให้ได้ใช้ชีวิตแบบนี้นะเอาสมควร เ, เวลาการปะป้องกัน